เมื่ก่อนอยู่ภาวนาอยู่บุญญาวาด น, ะนั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรเนะี<ม>่ยก็ภาวนาดีถ้านะมาไปเห็นจิตข้างในมันไหวๆพวกเราเคยเห็นไหมมันไหวยิบยับยิบยัอยู่ข้างในนะไม่ไปสนใจดูแล้วเสร็จแล้วพักพวกมาถามหลวงพ่อนะว่าตอนนี้อาไปภาวนาบุญญาวาสนานแนละ้วไม่เคยออกมาหาหลวงอาเลยนะตอนนี้จิตเป็นยังไงบอกจิตไม่ได้เรื่องหรอกไปหลงไปดูไหวๆอยู่ไหลเข้าไปดู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 ทักพวกมาบอกหลวงพ่อบอกตอนนี้อ้ามันไม่ภาวนาแล้วอ้ามันไปทําปลูกสวนท้ออยู่หลวงพ่อก็โวยวายทาไมมันไม่ภาวนาทําไมมันไปปลูกสวนทอ้อนะนึกว่าไปปลูกลูกท้อจริงจนะเห็นชอบปลูกต้นไม้ท <laughs> ักพวกบอกไม่ใช่ท้อแท้ท้อแท้เวลาภาวนานะหมดอดท้อแท้ไม่ได้หรอก